เราบอกาศาสดาจึงสอนธรรมะชั้นสูงว่าเธอทั้งหลายไม่ทําใจเหมือนดินเธอทั้งหลายจะไม่พ้นไม่ทําใจเหมือนดินน้ํำไฟลมดินน้ํำไฟลมภายนอกเขามาขี้ใส่มันก็ไม่ว่าเนะมันก็ไม่สาคัญตัวมันมันเป็นดินด้วยเขาไมปเผาไฟมันก็ไม่ว่าเขาไปทําอะไรมันก็ไม่ว่าดินน้ําก็เหมือนกัน เขาไปร่าอ no ุจจระปัสสาวะเขไม่ว่าเขาเอาไปต้มมันก็ไม่ว่ามันเป็นไงและมันก็ไม่ยินแล้วมันเป็นน้าด้วยไฟลมก็เหมือนกันนั่ถ้าท่านทั้งหลายจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะมาท่องเที่ยวในวัดส่งสารอีกนั่นนั่นนัชั้นสูงเสียชั้นสูงสมาธิชั้นสูงนั่นน่นน่นนั่นนั่นนั่นน่นถูกไหมโอ้จศาสนา เป็นของลึกซึ้งมากก็พระเจ้าองค์ใดไหนมาเทศก็อันเดียวกันเลยไม่ได้ลบร่างพรบกันเลยเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเน็บผ่านสมบัติบริบูรณ์แล้วคําสอนพระพุทธศาสนาะไม่ได้ลบเรือนไปทางใดเลยหมุนให้ดีๆให้มันแน่นด้วยท่านทุกท่านสงสัยอะไรก็บอกมาซะพูดคนเดียวมันน่าเบือ่อเรื่องสมาธิสมาบัติ ถามมาใครภาวนาเห็นอะไรบ้างเห็นแต่ทุกขังอนิจจังอนัตตาใช่ไหมมองดูไปรอบโลกก็มีตั้งแต่ความเกิดขึ้นแล้วแปตั้งแต่สลายได้ไในรบรุวนอนิจจังได้ในรบรุ่นทุกขังได้ในรกรุวนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน มนุษย์โลกได้แก่โรคที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ฉะขามาพรจรคหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประภมที่ชั้นและอรูปประภมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาเลยเป็นสังขารโลกสังขารแบ่งออกเป็นสองสังขารที่มีใจครองเรียกอุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเรียกอนุปาทินกาสังขารสังขารทั้งสองนี้อยู่ใต้อานาจอ น, นิจจังเกิดขึ้ น, นแป ล, ปล้วก็แปรปรวนและแตกสลายไปนั่นเลย ครูมาอาจารย์แต่งหนังสือเราก็ไม่สงสัยเราไปอ่านดูว่าองค์ท่านจะพูดยาวเหยียดสักเพียงไหนจักยน่นลงมาขนาดใดหนังสือได้่พระไตรปกิกก็ไม่สงสัยเรื่มนี้ท่านพูดยาวเหยียดขนาดไหนท่านอธิบายความย่อให้พิสดารขนาดไหนเมื่อพิสดารแล้วท่านยน่นลงมาขนาดไหนหน่วยที่ร้อยพันหมื่นแสนล้าน ย้ลมาหาลัคนุยใช่ไหมสะพะทุกย้อนลมาหาเอกทุกใช่ไหมสะพะอนิจังย้อลงมาหาอนิจังมาใช่ไหมสะพโลกย้อนลงมาหาเอกโลกในปัจจุบันใช่ไหมสะพทุกย้อนลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันใช่ไหมสะพะสังขารย้อนลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันใช่ไหมนั่นจึงจับปัจจุบันปัจจุบันันจโยธงรมพุทธายะธรรมในปัจจุบันพวกนั้นจะไม่สงสัยแล ผู้ใดจะพ้นจากกิเลสเป็นพระสวัสดิบาลสักคาคาเมีอนาคามียนานก็จิตปัจจุบันทําปัจจุบันเช่นนั้นไม่ใช่คิดอดีตไม่ใช่คิดอนาคตไม่ใช่ทําอดีตไม่ใช่ทําอนาคตเอาปัจจุบันเป็นพการเองอดีตคืออะไรคือนิทานของปัจจุบันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือนิทานของปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงใช่ไหมอดีตคืออะไรเอคือ ผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วใช่ไหมอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงใช่ไหมปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่ใช่ไหมอดีตคืออะไรคือความนึกคิดที่ล่วงไปแล้วปัจจุบันคือความนึกคิดที่กำลังเป็นอยู่อนาคตคือความนึกคิดที่ยังไม่มาถึงอดีตคืออะไรคือการยังสังขารวจีสังขารจิตตดสังขารที่ล่วงไปแล้วใช่ไหมจแต่บ่นั่งไม่ใช่หันี ไปยพูดให้มันถึงไอ้มันถึงเพิจิตถงมันจะพัฒนาวาจาพูดอคำหยาบ พ, พูดให้ถึงธรรมะไม่ใช่พูดคำหยาบสำผัส พ, พระราชปะพูดเพื่อเจอไม่ใช่พูดเพื่อเจอพูดให้ถึงธรรมะโรคภูมิแพ้ขันหลังโรคชร า, าเป็นหัวจักเขาโรคชร า, าเป็นหัวจักเขา คนคนหนึ่งพระองค์หนึ่งมาถามไม่ไม่ไม่เจอกันประมาณสามสิบปีครู่าครูบ า, บาพ่นแล้วหรื อ, อยังยังกิเลสมีมากเแล้วเนี่ยไม่พ่นผมพ่นแล้วครับเอา้าท่านพ้นแล้วท่านอาธิบายผมฟังดูดูงานจบท่านอาจารย์คงมาห่างกันมาเกือบสามสิบปีแล้วมันไม่เจอกันแล้วไปเจอกันงานจบ ท่านอาจารย์เขามาบวชพร้อมกันวันเดียวกันมาปีเดียวกันผมพ้นแล้วอดีตผมเบื่อแล้วอนาคตผมก็เบื่อแล้วผมอยู่ในปัจจุบันครับอนาคตผมก็เบื่อแล้วผมอยู่ในปัจจุบันเดียวนี่อดีตผมก็เบื่อแล้วอนาคตผมก็เบื่อแล้วผมอยู่ในปัจจุบันเดียวนี่ผมประกาบเรียนท่านอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็ให้คะแนนผมอยู่ผมก็ให้คะแนนท่านอยู่เดียวนี้ เอท่านวิจารณาในปัจจุบันท่านรวมไตรซิกขาศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันท่านก็เพ่งอยู่ในปัจจุบันแต่ท่านก็เกิดปีติในปัจจุบันเพราะท่านทิ้งอดีตอนาคตแล้วท่านก็มีปีติอยู่ในปัจจุบันแต่ท่านยังไม่พ้นเน้อเพราะท่านยังหาเหลี่ยมอยู่ <S <S ผมก็แล้วไม่พ้นยังไม่พ้นเอา้าผมจะพูดให้ท่านฟังอดีตคือหางปลาอนาคตคือหัวปลา กลางตัวก็คือปลาอีกเหมือนกันหัวมันท่านไม่กินหางมันท่านก็ไม่กินท่านไมากินที่ตรงพุงมันทีนี้มันอร่อยทีนี้ท่านจะว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นท่านก็ฉลาดเจียมโกงใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้เกาหัวที่ท่านเดินมักรถูกอยู่เพราะท่านรวมมรรครวมศีลสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันแล้วแต่ท่านยังไม่ได้พ้นท่านยังยึดถือปัจจุบันอยู่ อ๋อพระบรมศาสดายืนยันว่าผู้ใดรู้อนาคตตามไปเิงของอนาคตผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคตผู้ใดรู้เบื้องต่ําคืออดีตผู้ใดรู้เบื้องกลางคือปัจจุบันไม่ติดข้องอยู่ในโลกทั้งสามนี่แล้วท่านผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วนั่น น, น, น, นัปัจจุบันเขาอาศัยเพื่อเดินมัดเท่านั้น เ, เมื่อพ้นทุกแล้วก็ไม่ต้องอาศัยปัจจุบันอดีตอนาคตอีกเราพูดอย่างนี้ไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ เป็นโสดไปแล้วเป็นของว่างไปแล้วจิตของท่านเป็นของว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วและท่านก็ไม่ได้ทําให้ว่างเพราะท่านตามไปตามไปตามไปจิตเป็นได้สักว่าจิตตนไม่มีในจิตจิตไม่มีในตนจิตเป็นได้สักว่าจิตเหตุนั้นจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระ涅槃ไม่ไม่บัญญัติว่าพระานเป็นจิตเป็นทั้งทางดําเนินไปสู่พระ涅槃เฉยๆจิตเอ้าถ้าพระอรหันต์รักษาจิตอยู่ พระทหารกรมการคนคุมนักโทษใช่ไหมเราพวดอย่างนี้เพราะเกรงว่านักโทษจะลักหนีจากตนเกรงนักโทษจะทําอันตรายแก่ตนด้วยเหตุนั้นพระทหารจึงไม่เป็นทุกข์กับจิตแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงๆเพราะมันยังไม่พ้นใช่ไหม น, น, นักเวียนในอากาศมันยังค่ํามันก็ไม่มีรอยมิเชื้อ น, น้ํามันยังค่ําก็ไม่มีแผลชั้นใดพอดี ความนึกคิดอะไรต่ออะไรมันล่วงไปแล้วเหตุนั้นท่านจึงยืนยันว่าอธิษฐนานนวงเงวยะผู้มีปัญญาอยากให้สิ่งที่ล่วงแล้วมาคล้องอยู่ในใจอปตัญจะนาคดังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็อย่าเป็นหวังมากปันนจจุบันันใจโยธรรมเห็นทําในปัจจุบันรวมพลลงในศีลสมาธิปัญญาถือจะได้เห็นชัดกันนี่หม้ยความผูยังไม่พ้นถ้าผู้คนแล้วทํานไมอยู่ในที่ใดเลยละ ไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ไหนไหนฉันทุกคนแล้วทีนี้ ล, ก ล, กลกูกหลานเครือกเส้นเดียวถึงไปเอาเหยียให้รู้เนี้ยยศธรรมก็เป็นเครือกเส้นเดียวศิ้นสมาธิปัญญาไปด้วยกันเมื่อสี้นสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงเมื่อสิ้นต่ําสมาธิก็ต่ําปัญญาก็ต่ําเมื่อสิ้เป็นโลกีสมาธิก็เป็นโลกีปัญญาก็เป็นโลกี สินสวัสดิบาลศินสักการามีสินอนาคามีสินพระราหันสินพระปฏิ eject สินพระสมาสัพพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันก็มาได้สมาธิปัญญาก็เหมือนกันปัจจุบันพระสวัสาลปัจจุบันสักการามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระราหันปัจจุบันพระปฏิเจ e ปัจจุบันพระสมาสัพพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะปัจจุบันพระราหันไม่ได้ติดอยู่ในทั้งอดีตอนาคตหรือไม่ได้ยึดถือสิ่งใดในโลก สิ่งไหนเกิดมาซึ่งหน้าสิ่งนั้นก็ล่วงไปซึ่งหน้าสติหน้าปัญญาเนี่ยหน้าไม่ใช่หน้าตาหมาจูอันนี้หรอกอหน้าสติหน้าปัญญา <laughs> หน้าหน้าตาหมาจูบุง่ายามือดีมีวีหัวบดีหนีไปหนะึ่งตัวตัวหลอนะ <laughs> เราได้เคยเรียนอยู่เหมือนกัน <laughs> มีปัญหาสอดเข้ามาว่าวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบจะเป็นมงคลไหมมันก็ไม่เป็นมงคลใช่ไหมกับให้เราเดือดร้อนอีกเช่นลวยผู้มีอุดมกติเป็นนายหน้าเช่นพระสวสดาบวันวัตถุนิยมของพระสวสดา์วันได้มาในทางที่ชอบจะได้น้อยก็ได้มาในทางที่ชอบจะหายไปก็หายไปโดยชอบทำไม่ได้เดือดร้อนพระทหารมีวัตถุนิยมไหมปล่อยวางวัตถุนิยมแล้ว มีแต่มหาอุดมคติอันไม่เกิดไม่ดับเลยนั่นในในในโลกร้วน ok <od> เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาทั้งนั้นวัตถุนิยมและอุดมคติเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาทั้งนั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธ พ, พระธรรมพระสงฆ์ คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของคุณพระนิพานไปเรียกพุดธอยู่ที่นั้นมันดึงดูดไปเองถ้าว่าเกิดแก่เจ็บตายทุกขในโลกมีอยู่ตราบใดจริง ท, ที่ไม่ทุกขไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าพระนิพานไม่มีในพระนิพานสับทางหลายก็ยัดเยียดกันอยู่ในภพมโรคเทวโลกนี่ไม่มีที่ไปเลยละ S <S. นั่นมีพระนิพพานเป็นที่ได้ลอดออกไปในศาสนาพุทธจึงพอประทังประทังประทังอยู่ถ้าไมอย่างนั้นก็มาภายเรืออยู่ในทะเลโลกทะเลโกรธทะเลหลงฝนกันอยู่นี่เองตึงตังตึงตังอยู่นี่มันมีพระสมานพระพุทธเจ้ามาจอกพระนิพพานออกใครเป็นผู้จบกเกษียณพระหารจบกเกษียณแล้ว ไม่มาเกิดแก่เก็บตายในมวาทสงสารอีกเลยแต่พวกเราไม่พ้นจากกิเลสมันจะงเขายังไม่ทันจบกเกษียณเนี่ยเกษียณโรคเกษียณโกกโกดเกษียณหลงมันเ <c oughs> ขาบอกว่าคนสมัยคระครึคนชุดเกา่าอย่างนั้นเราก็ไม่โกรธหรอกเราจะพูดตามามจริงคนชุดใหม่จึงทันสมัยมั้มันทันสมัยจริงๆโรคเอดมันจริงอึกระทิกขึ้นเราพูดอย่างนี้ ถูกไหมมันสมัยมันชันสมัยเกินไปใช่ไหมท่ากันรักกันวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตของมนุษย์เหมือนชีวิตของไก่มันมันทันสมัยเกินไปใช่ไหมเรอไหปู่เป็นเด็กหลายปีจึงได้ยินว่าเอาออกไปยิงเป้าอันนี้ได้ยินตายทุก วันทุกวันเขาตัดสินกันเองเขาขากันเอง not, not, not. เขาไม่ต้องขึ้นโรงกันสารยาก <Not. S 1> คนหัวกะทิอะไรนีคนหัวกะทิมันยังดีกว่าคนหัวกะทะคนหัวกะทะอะคนหัวกะทะมันทอดใส่น้ามันหมูหรือน้ำมันหมาหรือน้ำมันมีไม่ทราบ <laughs> ถูกไหม <laughs> อมันทันสมัยว่าอย่างนั้นคนเคราะห์คนโบราณเครอะไม่ทันสมัยเขาบอกแต่ว่าคนสมัยทันสมัยมากน่ะทุกวันเนี่ยปีนเกลียวธรรมะอเด็กอายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบปีพไปไ ป, ไป ข, ข่มขืนฆ่าอีกซะลุ้ยนะัน่ะมันทันสมัยเกินไปใช่ไหมน้่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ ข่าลูกข่ามีสารพัดอาทินาทานก็เหมือนกันวุ่นวายอยู่ถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์กฎหมายก็ไม่ต้องต้องมากตั้งเพียงตั้งเพียงงบประมาณและภาษีอัตราก็พอแล้วอันนี้ตั้งไว้เท่าร่มันก็ไม่อยู่อูของทำไม่นำคำานึงก็มที่พึ่งพิงเองอาศัย เอ้ามดชาวโลกของเราไม่พ ล, ลเมืองประมาณห้าพันห้าพันล้านนะมดชาวโลกมนุษย์โลกเรานี่คนห้าพันล้านนั้นมีสินห้าพันล้านไหมไม่คงจักไม่มีใช่ไหมชะลอยจักไม่มีใช่ไหมอ่าประเทศจีนก็มีพลเมืองประมาณพันล้าน พันพนล้านคนมีคนมีชิ้นห้าฮอลานคนไหมก็คงจักรยอนมหาประเทศไทยเราทีนี้ประเทศไทยเรามีคนละเมืองประมาณหกสิบล้านมีผู้มีชิ้นห้าเพราะหนึ่งล้านคนไหมคงจักรีคงจักชะลอยจัก ชลอยจะเป็นคำกลางจะพ ล, ลิกมานี้ก็แล้วแต่เตชลอยจะทีนี้ผู้ที่ตั้งกฎหมายอยู่ในประเทศไทยของเราเน่มีประมาณกี่คนก็คงสามรอยคนใช่ไหมหรือสี่รอยคนใช่ไหมผู้ตั้งกฎหมายสามสี่ร้อยคนนั้นมีสินห้าพอ1รอยคนไหมก็คงจะ ก็คงจักก็คงจักก็คงจักทีนี้เมื่อสินธรรมวางไว้อย่างหนึ่งตบสระอาตโปปาสะกดเรียกว่าบาปก็บาปอยู่ในหนังสือหรือบาปอยู่ที่หัวใจของมนุษย์ที่ไปทำนี่หละมันลำบากมากเหตุนั้นริงทิ้งคำสอนพระพุทธศาสนาะไม่ได้อ้า ถ้า ม, มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้เสียงร้งองหม่มเสียงสาบเสียงแย่ก็อึกระทึกคึกโครมกลิ่นของโลกก็คือกลิ่นเห็นเราดีๆนี่เองพระเผาและฝังไม่ทันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณหนูคุณพี่คุณน้องสวัสดีดอกหรือมาจากไหนก็มาจากอายุวนโนสุขังพลังของพระใช่ไหมนั่นนั่น นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นน่ควรดื้อ่น่นนั่นนั่นรั่นนั่นทั่นนั่นนั่ั่นนั่นี่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั็นนั่นนพ่นนั่นนั่นนั่นนั่พนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนเ่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนนั่น่นนั่น เราบอกแล้วตอนนั้นอ่ะเราห้ามหมดแล้วพวกเธอไปทํำผิดมันก็ผิดเสียนั่น่พวกเธอไปทําถูกก็ถึงพระสบัณฑาคารามีนาคารมีราหันน่ะ น, นักนักถ้าผู้ทําผิดทําถูกไม่มีผู้ทําถูกก็ไปไปเป็นพยานพาระธรรมจักรพุทธเจ้าผู้ทําผิดก็ไปเป็นพยานพาระธรรมจักรพุทธเจ้าใช่ไหมทั่วไม่เสียแรงไม่เสียใช่ไหมนั่น <c oughs> ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปเสียหายไปไหนนั่นนับนับนับ ศรนะีห า, า, านาถทางราชันเจ ต, ตีปนิสาสุวิชาลธาจึงประกาศพมไม่กันไม่ท่านข้ามเปลี่ยนศรีหนาดผู้ทําผิดก็ผิดจริงผู้ทําถูกก็ถูกจริงนั่นถ้าผู้ทําผิดผลข้อกรรมของผู้ทําผิดไม่มีผลข้อกรรมของผู้ทําถูกไม่มีพราะผู้ได้เจ้าก็สืบโลกไปไม่ได้เพราะเขาจะแย่งอันนี้มันแย่งไม่ได้เสียแล้วถูกไหมนั่น <laughs> ผู้ไปทำผู้ร่วงแล้วเมื่ออะไรทิก มันก็ล่วงจริง ๆ, ๆมันก็ผิดจริง ๆ, ๆนะจะภาษาอะไรข้างพุทธข้างเดียวนี้ข้างพุทธการมีมากล่วงละเมิดครูทั้งหกก็จะต่อสู้พระบรมศาสลาพระเทวทัตก็เป็นลุงพระบรมศาลานั่นเองเป็นพี่ชายของนางพิมพาจะฆ่าพระบรมศาสลาเป็นศาสลาแทนนั่นนัสุภาพุทธก็เป็นพ่อตา พ่อของนางพิมพาจะฆ่าพ่อบรมศาสตรพ่อโกรธให้บรมศาสตพระบรมศาสดาว่าทิ้งลูกสาวของตน <c oughs> นั่นตกลงตกลงก็ไปนอนอยู่ที่มหาวิทีารอกยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้นัทนนันข้้งทุกวันนี้จะภาษาอะไรมันวุ่นวายนัทนันพระทุทินพระทุทินก็ไปบวชมาก็ไปเล่นภรรยาตนเอง พระบรมสาราก็ดุด่าทุกผู้หญิงใจให้พูดไหม ย, ยกมือขึ้นยกมือขึ้นใจให้พูดไหมยกมือให้พูดไหมฮะให้พูดไหด ม, หดมเดี๋ยวจะไม่หาหลวงปู่ว่าพูดคําหยาบพูดเพื่อเจอฮะยกมือให้พูดเหรอยกหมดยกชุดแขนพวกนั้นไม่ยก พระยาเก่าของเธอมันก็ดีสําหรับเธอแต่มันไม่ดีสําหรับนักปราชญ์ยังหยาบกว่านี้แต่เราห้ามเบรกยังหยาบกว่านี้แต่เราห้ามเบรกเพราะเก่งกับผู้หญิงจกกะกลุกล้อายทำของเรากล่าวเพื่อให้บรรเทาราคะโทสะโมหะเธอกลับเอาไปบวกเข้าโมเข้าผุตรโมเข้าผลุตรมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปา ร, รกปาชญ์บนทําไมมันล่วงไปแล้วเพราะเป็นต้นบรรยัต เพราะเป็นต้นมัญญัติก็บุญเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจส่วนพู้นั้นมันร่วงไปแล้วเป็นต้นมัญญัติอีกเสียด้วยอันมัญญัติปาราเชกเรื่องเสพเมทุนนี่ตั้งหลายๆเรื่องข้างพระพุทธเจ้าห้ามให้เสพเมทุนกับมนุษย์มันก็ไปเสพเมทุนกับสัตว์ที่ฉานสารพัดนักนักก็ห้ามกันตั้งห้ายๆคยเรื้องข้างพระพุทธเจ้า เราจะภาษาอะไรทุกวันนี่นะ น, นั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้ฟังแต่ที่พวกที่บารมีแจก้ามาแล้วยังไม่มีปล า, ายชี้สี่สังขารที่เศษทีสามอันนยอดสองนี 2, น่คือียติสามสิบเปยติเขาที่สองอันนยอก็ไม่มีพอมาแล้วก็เทศให้ฟังแล้วก็ทะลุไปเลยทะลุไปเลยพิกจุสองหมื่นไปบินทาบาทในกรุงราชคฤห์ เป็นชิวแถวเองพิพิธครูพระธรรมธาพระราชีตียังไม่ได้ตั้งเลยเพราะเหตุใดพระบารมีแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนแล้วนับนับนับทําแต่ะบระบาดสวงต่อพระ涅槃ทั้งนั้นนับนับนทําไมพระบรมศาสจาทําไมจึงไปดุดาว่ากล่าวพระจุธินมากอย่างนั้นก็ดูดามากอย่างนั้นพระบรมศาจดามีโกรธไหม ก็พ้นจากโรคโกรธหวงแล้วมันก็ล่วงไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ทําไมจึงไปดุด่าอย่างนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในอนาคตท่านบุทีนี้มีคําสอดเข้ามาว่าอันท่านกินกล้วยท่านปอกเปลือกมันทิ้งท่านโกรธให้มันไหมไม่โกรธทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันก็หมองกําใช่ไหมนั <laughs> ่น ถ้าเรา ม, มศาสตราเทศนาวิธีมีหลายอย่างหลายในเพราะท่านฉลาดในเทศนาวิธีวิธีปลอบโยนวิธีย้อนถามวิธีย้อนถามคือยังไงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล้าทุกขังพันเจเป็นทุกข์พระเจ้าฆ่าท้าไม่รู้จักดอกหรือทําไมท่านจึงถามถามเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดย้อนถามเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัด เทศปรอบโยนคือเทศยังไงอานนเอ๋ยเธอได้ปฏิบัติเรามาสุภาพเรียบร้อยแล้วเธอเธอไม่ได้หวังสีวานิชบาทหรือลาบยศสิสัรเสือในรเลยตอนนี้ไปสามเดือนเธอจะได้สาเร็จพระรามเรียกว่าเทศปรอบโยนเอาละน้าทีนี้นะหลวงปู่เดินด้วยชี้เท่าไปออกจากบ้านออกจากบ้านน้องหาง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 ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารตาเป็นจริงอย่างไรปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดชิ้นห้าถ้าไม่มีปัญญาเป็นผู้เป็นนายหน้าก็รักษาไม่คุ้มชิ้นแปดชิ้สิบชิ้น 10, สองร้อยยี่สิบเกตก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันต้องมีปัญญาเป็นนายหน้าเป็นนายกส่วนกิเลสมันก็มีความโง่เป็นนายหน้าของมัน เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาไม่ใช่วิชชาเรียกว่าอาวิชชากิเลศมันก็มีความโง่เป็นนายหน้าของมันถ้าชนะความโง่แล้วกิเลศก็แตกกระจิงถ้ า, าชนะอวิชชาความโง่แล้วตัณหาอุปท า, านกรรมภพธาตุช ร, รมามรรลโสดาบรุเรทุกโรยาอุปาัฏะก็ดับไปทั้งนั้นความหลงมีอยู่สี่อย่างอย่างพิสดาร ลงหนังหงุงห้มอยู่ได้รอบว่าเป็นของเที่ยงลงหนังหุ้มอยู่ได้รอบว่าเป็นของสุขลงหนังหุ้มอยู่ได้รอบว่าเป็นของตัวตนลงหนัง是是หุ้มอยู่ได้รอบว่าเป็นของสวยของงามสิ่งไหนที่เป็นของเที่ยงเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเอาอะไรมาต่อสู้มันเอาความเป็นจริงมาต่อสู้มันความเป็นจริงคืออะไร คือเป็นจริงว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นเข้าของสุขของทุกข์เข้าใจว่าเป็นของสุขเอาอะไรมาแก้ก็เอาตามเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองมาแก้ของร่างกายมันจกกรกเราบัญญัติเราเป็นสวยงามจะเอาอะไรมาแก้มันก็เอาสัญญาต่อสัญญาสัญญาคือความจําว่าเป็นของสวยของงามเอาความจําที่ว่าไม่สวยไม่งามจกกรปกโสโครกมาแก้มัน สัญญาต่อสัญญาความจําต่อความจํามาแก้กันสิ่งที่สำคัญเอาเป็นของตัวตนก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมาแก้มันถ้าว่าเป็นตัวตนทําไมมันจึงแย่งเราไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตา ย, มตายไม่ให้เปื่อยให้เน่ามันก็เปือยก็เน่ามันก็แย่งต่อคําว่าอัตตาคําว่าตนสิ่งนี้ที่มันแย่งต่อเราก็พิจารณาตามเป็นจริงซิความพิจารณาตามเป็นจริงนั่นเอง ชนะความหลงชนะความหลงด้วยความไม่หลงชนะความเกียจข้านด้วยความขยันชนะความลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทําด้วยความไม่ลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำชนะความเห็นผิดด้วยความเห็นถูกชนะมิจฉามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในชั้นพระโวสดิบาลสกทาคามีนาคามีนาหันมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกัน เห็นผิดในชั้พนพระสวัสดิบาลสกทาคามีอนาค า, า, คามีเอราหารั น, หนก็เหมือนกันนัน่นนั่นเราเกียรติค้านจะเอาอะไรมาชนะมันก็เอาความขยันมาชนะมันความขยันมันแบ่งออกเป็นความขยนมัมขยนมีขอบเขตในทางพุทธศาสนาะวิญญาณทุกขมัจเจติคนร่วมทุกได้พระความเพี่ยงและความขยนันวุฒาตาวินทน่าเจทนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่มันเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นบเนบอร์ มันหาในทางที่ชอบนั่นนั่นความมันก็ต้องมีขอบเขตความเพียรก็ต้องมีขอบเขตวิเนยทุกขมัจเจติกต็ร่วมทุกข์ในเพราะความเพียรเพียรละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อใดเกิดมามีแต่คนรักสกจกห่หอผู้นั่นเคยได้สร้างมาฒนาชาติก่อนอธินาทาน ไม่ได้มีเวรมณีเพราะไม่เว้นผู้ใดเกิดมามีผู้ร่วงละเมิดกามเมสเมตชาจารมากสารพัดก็ผู้นั้นเคยได้สร้างมาแต่พักก่อนผู้ใดเกิดมามีคนต้มตุนบ่อยๆสารพัดกว่าท่านเหล่านั้นได้เคยมา สร้างมาแต่พก่อนเพื่อใะเกิดมาเป็นคนบ้าใบาเสียจริตผิดมนุษย์ก็เสดก ร, รมขออาทิตของดื่มสุรามีอะไรเป็นคนบ้าใบาเสียจริธผิตมนุษย์มาแต่กำเนิดกำเนิดกเนิดคำสอนของพุทธศาสนาไมหมดไม่มีคำสอนใดจะเหนื อ, อคำสอนพุทธศาสนาเลย ไม่ต้องอวดดีต่อคําสอนพุทธศาสนาก่อนแล้วกันผู้ใดประมาทคําสอนของพุทธศาสนาผู้นั้นประมาทตนเองผู้นั้นก็อารมณ์ไปทางบาปไม่มีกำมันกำคืนผู้ใดเลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็มีอารมณ์ดีเป็นบุญเป็นส่วนมากถึงจะเป็นบาปก็มีส่วนน้อย กรรมนาวัติโลโกโสัรโลกเป็นไปตามกรรมที่ตนทำดีและทำชั่วรัฐที่อื่นจะมาแข่งดีกับพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนเอาเม็ดพันผ ก, กาศมาแข่งดีกับปูเขาหิมาลายย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนว่า น, น้ำลายขึ้นฟ้า ฟ้าก็ตกลงใส่หน้าของท่านพวกนั้นหรือทั้งฝูงทั้งพวกเลยไม่เลือกหน้าไม่ลําเอียงเลยใครบ้วนน้ำลายขึ้นฝ้าฝ้าหน้ามุลายก็จะตกลงใส่หน้าของตนไม่ลําเอียงเลยใครกําฝุ่นโตลมก็เหมือนกันลมก็จะพัดเข้าตาของใครของมันไม่ลําเอียงเลยใครคว้างปลาคอนไต้ต้นเสาควางไกลมันก็ไม่ทัน ว้างใกล้นักวยเอกก็หลบไม่ทันเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> แล้วไม่มีตกไม่มีจานับพระพุทธศาสนาเลยเพราะพระพุทธศาสนาดีเด่นอยู่ทุกยุค ท, ท, ทุกสมัยแล้วแต่คนจะดีเด่นหรือไม่ดีเด่นมันก็เป็นเรื่องของคนต่างหากใครทําผิดก็เป็นเรื่องของผู้ผิดไม่เป็นเรื่องของผู้ถูกใครทําถูกก็เป็นเรื่องของผู้ถูกไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ผิด ถ, 不 Zusammen, 不ถ้าผู้ทําผิดไม่ผิดพระพุทธศาสนาก็ไม่เต็มถ้าผู้ท ick, 不 ùng, 不 Found, Lynch, sme, 是是ําถูกไม่ถูกพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นเอไม่เต็มพระพุทธศาสนานั้นอยู่ในระหว่างกึ่งกลางผู้ใดทําผิดก็เป็นพยานพระบรมศาสนาผู้ใดทําถูกก็เป็นพยานพระบรมศาสนาชารีบุตรโมกคันลาจําพวกเป็นพระสวสดิวันสกทาคามมนาคามีพนฐานเป็นพยานในทางดีพวกโลงผุ ส่วนพวกลงนรกเป็นพยานในทางชั่วนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหายไปไหนนั่นนั่นนั่นถ้ามีแต่พูดทาดีผู้ทําชั่วไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่เต็มเพราะพูดทำเพราะเพราะเพราะพูดทาาําชั่วมันไม่ได้นำฝนชั่วพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้จริงนั่นพวกไปลงนรกมันก็เป็นพยานพระบรมศาลาเหมือนกันพวกเกิดมาตระกูลต่ำํำตระกูลสูง หรือไม่เสมอภากันมันก็เป็นพยานพระบรมศาสดราเหมือนกันผู้เกิดตระกูลต่ำผู้คนบุคคลผู้นั้นตีเสมอยกตนเทียมท่านเหตุนั้นจะได้เกิดตระกูลต่ำนั่นเป็นพยานพระบรมศาสตราแล้วผู้เป็นผู้เกิดตระกูลสูงเช่นพระบรมหาราชาเป็นต้นก็พระเคยได้เคารพมากนั่นนัๆนั่ น, น, นเป็นพยานพระบรมศาสาทั้งสองทางเลย ไม่ต้องสงสัยนั่นนั่น่ น, น, น, นใครหลมหลุมท่านเพื่อก็รอนแต่ท่านท่านเพนื่นั้นจะไปให้คนอื่นเขารอนมันก็ไม่ได้นั่น น, น, น, นก็เรื่องของใครของมันผู้ทําดีก็เป็นเรื่องของผู้คตผู้ทําดีผู้ทำชั่วก็เป็นเรื่องของคนชั่ว mm hmm. พระบรมศ า, าสดาได้สอนในวัดแล้ว mm hmm. ยอมตัวเป็นศ า, าสดาเอกในโลก เขาจะถือหรือไม่ถือพระบรมศาสดาก็ไม่เดือดร้อนเพราะได้ทุ่มเทลงมาแล้วสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วไม่ได้สงสัยเลยว่าสิ่งนั้นเราไม่ได้สอนสิ่งนี้เราไม่ได้สอนเป็นความผิดของเราตถาคตทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วที่จะมาในข้างหน้าพราะพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เพียงโทษตนเองเลยเพราะ ได้สอนหมดแล้วชาวโลกจึงท่งพระนามาโลกกวิถูโลกกวิถูโลกกวิถูทุกๆพระองค์เลยนั่นๆนั่นท่วไม่เสียแรงไม่เสียพระบรมศาสนผู้ทาผิดก็เป็นพยานของท่านในทางผิดผู้ทําถูกก็เป็นพยานในทางถูกนัดนัๆนดนัดนันดิ่งไม่อวนเอียงเขากับทางใดทางใดเลย ทางในตั้งไม่ตรงดิงก็เป็นเรื่องของทางนั้นนั่นตั้งเสาตั้งเสาไม่ตรงจะไปโทษดิงก็ไม่ได้ก็โทษเสาสิดิงเพราะดิงมันดีแล้วสันใดก็ดีคำสอนดีแล้วผู้ใดทําให้ดีก็เพ่งโทษแต่เฉพาะคนนั้นจะไปเทศนโทษหมดมันก็ไม่ได้เอาา้าพระเจ้ามาพระุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทําให้ศาสนาเสื่อมได้ไหมก็ทําศาสนาให้เสื่อมไม่ได้ถ้าอริยศัจสีไม่มีอยู่ก่อน พระสมถถัพุท菩เจ้าทาั้งหลายก็แม่มาตัดสรู้ได้พระ อ, องค์มาตัดสรู้ก็ตัดสรู้อริยสัจสีทั้งนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะทําเสื่อมเลยถ้าทํำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเขารบทำไม่ได้เขารบแบบบ้าๆชัดทั้งสรรพยันชนางเกวราปริภุญางบริสุทธิุดทางพมิตรยังประกาเสสิ มริบูนมรดเนลทุกๆพระองค์ตรงกันเลยไม่ได้รบร้างพรบกันเลยพระพุทธเจ้ากี่ราตนพระองค์มาเป็นยุกๆกยุกยยุกยุกยก็มาสอนว่าทำเป็นโลกรบาลคุ้มครองโลคสองอย่างเท่านั้นถ้าไม่มีทำโรคกระบาลสองอย่างโลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้คือเฮดิความละอายต่อบาปโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปมีทำสองประเภทนี้ นี่คุ้มครองโลกได้ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาโูเอมชิบหกเอ็มสาเอมบ้าบ้าบบอะไรก็ไม่มีนี ه, ความมีศีลมีธรรมเท่านั้นจะปกครองให้โลกอยู่นั่นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาอย่างนั้นเอา้าเพียงชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์ดูหรูทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีกระทรวงกลาโหมก็ไม่ต้องมีใช่หรือไม่นั่นนั่นนั่น กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากก็ตั้งเพียงแต่งบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอันนั้นราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเท่านี้โรคเอทก็ไม่มีอีกด้วยอีพ่ออย่างแม่อื้อใช่ไหมเพราะมันมีขอบเขตนั่นนั่นนั่นฆ่ากันตายางกันว่าอยู่ทุกวันนี้เพราะออกจากนานาธิบาทจอกจากอธินนาธานกามเมมุสาสุราทั้งนั้น ถ้ามันสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ก้อหมายจะตั้งมากินสมบัติอะไรนั่นนั่นนั่ไมเราจึงอาบน้ําเพราะร่างกายมันสกปรกทําไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันมีกิเลสริงกิงปฏิเสธไม่ได้นั่นนั่นนั่นนัจริงไหมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อว่าพุทธศาสนาเหมือนกันนั่น กรรมและผลของกรรมมันไม่อยู่หลีกเลี่ยงกฎหมายมันหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงกรรมและผลของกรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุนั้นจะตั้งดีหรือไม่ดีไม่เป็นปัญหามันขึ้นอยู่กับความประพฤตินั่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นโลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์แล้วใครต้องการทําดีก็ทําเอาได้ใครต้องการทําชั่วก็ทําเอาได้มันเป็นโลกทิพย์อยู่ทุกการทุกเวลาแลี้ยใครต้องการร้อนก็ไปลงลุยหลุมฐานเพลิงสิ ถ้าไมใครไม่ต้องการก็เว้นซะนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของผู้พิจารณานั่นเองไม่ยึไไดไม้แต่ไม้แตอยู่ที่ดินฟ้าอากาศที่นี้จะทำอะไรก็ทำไปบ้างสัหรือหากว่ามีธุระเช่านี้หรือหากว่าจะให้ฟารบนานขนาดไหนบอกมาไอน้าโมก็น้อมน้อมลงที่กายวายายจาะ พุทธภาสิท์หรือสุภาสิท์ก็เทศออกจากกายวายจาใจทั้งนั้นไมไ่เทศออกที่อื่นนี่พูดเป็นสามถ้าพูดเป็นสองก็กายกับใจถ้าพูดเป็นหนึ่งก็ใจถ้าพูดเป็นสี่ก็ธาตุสี่อริยสัจสี่ถ้าพูดเป็นห้าก็ขันห้าถ้าพูดเป็นห ก, ก, ก็ตา ห, ง ห, งหงูจมูกเลี้ยงกายใจก็ออกไปจากหนึ่งทั้งนั้นออกไปจากมโมพุฟังขมาธรรมามโนเสต้ามโมมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจ จะนับถึงหมื่นถึงแสนก็นับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วจะย่นลงมาก็ย่นมาหานักหน่วยใช่ไหมนั่นเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเอาปัจจุบันเป็นพยานแล้วอืเห็นดีหน้าไฟลมในปัจจุบันดินน้าไฟลมในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเห็นความเกิดขึ้นแก่เก็บตายในปัจจุบันเกิดแก่เก็บตายในอนาคต หรือล่วมมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนไปก็จะหลงตายกันอยู่นี้ใช่ไหมนั่นใครเป็นนักเทศเอกความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีการวันก็นคือชาปิติปิทุกขาเกิดเป็นทุกขเทศอยู่ไม่มีการวันก็นคือทุกเกิดผมไม่เป็นทุกขดอกครับดิฉันไม่เป็นทุกขดอกเจ้าข้าพอเกิดมาแล้วก็ร้องเพลงเลย ไม่มีมีแต่ร่องให้ใช่ไหมนั่นทำแต่ระเบระบาดส่งต่อพันิุพันธ์ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่ข้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นเช่นบางท่านก็เป็นทศกัณฐรููเป็นทศกัณ เ, เห็นเน้อครับพอแล้วโยมเชืีอด้วยแตกฉา น, น, นปฏิสัมพิทาสีแล้วคือได้สําเร็จพระรหั์ปฏิสัมพิทาสี่เป็นทศกัณฐ์รูปเห็นครับพอแล้วเป็นโยมอีกเืีอด้วยทําไมยังเป็นอย่างนั้น พระบรารมีแก่ข้ามาเนี่ยดอกบัวบันจบาลดอกบัวสีเหล่ามีแต่ข้างพุทธการหรือไม่ครั้างนี้ก็มีดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมินอกเสมือน้ําก็เสมือน้ําเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกพ้นน้ําแล้วก็คือพระสวสดาบานพ้นไปอีกก็จักทาคามีพ้นไปอีกก็อนาคามี บานจนเต็มทีม่แล้วก็บานจนเต็มที่ก็คือพระหั น, น่ะเขามีอยู่ทุกการทุกเวลาของโลกเสียแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขั้งพุทธการขั้งพุทธการเทียบใส่ดอกบัวสีเหลามีอยู่เดีย๋ยวนี้ก็มีอยู่ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดังที่ว่ามาแล้วนั้นนั่นเราอยู่ระดับใด จะไปเทียบท่านพู้อื่นอยู่ระดับตนเองก็มาได้เขาสร้างวารมี้แก้กล้ามากว่าเราแล้วก็มีเขาอ่อนกว่าเราก็มีเพราะมีหลายบางทีนั่นเราจะไปประมาทกันไม่ได้คนเกิดมาในยุคนี้ก็ดีต้นไม้ก็มีสูงมีต่ำมีรูมมรปมีรอนเหมือนกันใกล้ของมนุษย์ก็อยู่ไม่อยู่ระดับเดียวกันผู้ใดอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นว่าถูกเมืเ่อแงวันมันก็ยืนยันว่าของข้าถูกของข้าถูก มแมลงพึ่งมันก็ยืนยันว่าของข้าถูกข้าบินปื้อใบ้าเดียวก็ได้เกสรดอกไม้มาและมันด้ทำให้ดอกไม้ของชาวสวนเสียหายด้วยนะ่พระทหารก็ยืนยันว่าข้าไม่มีเกเรแล้วเกเร ข, ของข้าสร้างวัดีมาแล้วพระอนาคามิก็ยืนยันว่าโรคกรโรคกรดของข้าพระเจ้าไม่มีหายหมดแล้วยังแต่หลงเิ็ดเดียว ส่วนพระอน า, าส่วนพระกษัตรามีและพระสวรรณวันก็ยืนยันว่าเออโรคยายาที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพประพฤติผิดในกามมุสาวาตดื่มสุราเขาข้าพรเจ้าขาดไปแล้วข่าพรเจ้าไม่เสียดายอยากทําคืนมานั่นพระสวรรณวันก็ใจถึงทางนั้นคนเราใจถึงทุกท่านพระหันใจถึงทางไม่มีกิเลสพระสวรรณวันใจถึงทางไม่ถือศาสนาอื่นและไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์หน้า และไม่ล่วงอบายามุกนักไอ้พวกคนใจต่ํากว่านั้นก็ใจอาเล่นวัดเล่นเบอร์ใช่ไหมเรามีอิสระเสรีภาพอ่ะเสรีภาพมีขอบเขตเสรีภาพของพระอรหันต์น่ยไม่มีโรคมีโกรธไม่หลงนั่นประชาธิปไตยของท่านหรือราชาธิปไตยของท่านหรือธรรมาธิปไตยของท่านเนียกว่าธรรมาธิปไตยพระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตย ไม่ใช่อัตประชาทิปไทยไม่ใช่อัตตาทิปไทยพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่พุทธศาสนาไม่สอนไม่มีวิธีระงับอธิกรก็มีอธิกรบางชนิดระงับด้วยเยพยยศิกาเอาคนมากเป็นประมาณบางชนิดในที่พ่อหน้าสูงในที่พ่อหน้าบุคคลในที่พ่อหน้าวัตถุในที่พ่อหน้าธรร ม, มเรียกสามขววีนน่นบางชนิด บางชนิดความที่สองฉบปราะกาศให้สมมติแก่พระหารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะมาใครโจทยท่านด้วยสติวินัยจำเลยเป็นพระหานเป็นผู้มีสติไปบูรณ์ไม่เป็นฐานันดรของจำเลยที่จะทําการระเมิดดังที่โจทย์กล่าวหาส่วนกรร ม, มาวายกายจรวไว้ให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของโจทเสียหนี่และงับแบบหนึ่งและงับแบบหนึ่งคนที่สองฉบปราะกาศให้สมมติแก่พลิกศูผู้หายเป็นบ้าแล้ว เ่อจะไม่ใครโจดท่านด้วยอาบัติที่เธอทำไมเวลาเป็นว่าเรียกอมูลราวีนานพิกซูเป็นว่าไม่ควรโจดท่านแต่ว่าเป็นว่าจริงแต่ทุกวันนี้สองข้อนี้ไม่ค่อยเอามานะครับกันทีนี้ต่อไปอีกวิธีนะครับอาจารย์ความปรับอาบัตของจําเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกปติญญาตะการะจําเลยเป็นอาบัตสังขาธิเศตก็รับว่าสังขารทิเศตเรียกว่ารับปติญญาเป็นสัตว์ ความปรับอาบัตตามปัญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์ถ้าเป็นอาบัติปาราชิกมารับสังขาริเศตก็ไม่ยอมเพราะไม่เป็นสัตว์ความปรับอาบัตตามปัญญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์เรียกว่ารับไม่เป็นสัตว์ก็ปรับไม่ได้เป็นอาบัตปาราชิกมาปรับอาบัตสังขารทิเศตก็ปรับไม่ได้เพราะไม่ตรงกับคําสัตว์นี่ระงับแบบหนึ่งก็เอาตามของคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเยเพยติกานี่ระงับแบบหนึ่ง แต่ว่าเยฟุญัชิกานั้นมีข้อแม่อีกเธอเรียนจบพตัตไยเปโดก็ตามเธอประพฤติไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงไม่ให้มาให้คะแนนเลยอันนี้เยฟุญชิการเรียกผู้แทนของเราน่มันว่าจริงๆใครไม่มีใครมีเงินก็จ้างกันเนี่ยมันก็ได้แต่ประธ า, าที่ประเงินถูกไ้มนั่นะมันก็ต่างกันกับข้ามพุธการนั่นเะอ ที่นีพระกระบอกท่านกระ บ, บอกว่าอย่าให้พระมาเป็นการว่านการเมืองเลยพระไม่สอนว่านสอนเมืองจะไปสอนผีทัว่าไหนมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าที่ของโยมทำกัะพระทำยังไงหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวัจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมัโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา ทีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อาเมิตสถานหน้าที่ของพระได้รับบำรุงช่นนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณะบุตรด้วยสถานหกหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม 4. ีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้า ทำจริงที่ฟังแล้วให้แกมโฮกบอกทางสวรรค์ให้นั่นๆั่น่นนนี่นี่นี่นี่นี่นี่ถ้าไม่จริงทําไมจริงไม่เอาพระไตรปิฎกไปเฝาไฟจริงซะนักทำตรีโทเอกตลอดถึงประเก้าประโยคก็ต้องเรียนอันนี้ทั้งนั้นนั่นนั่นนนนเรามีที่อ้างพระไม่สอนว่าจะเอาสอนเมืองจะเอาไปสอนผีตัวไหน ในแพทยไทยพี่บอกก็มีอยู่อีกอีกเยียด้วยแต่เราไม่อยากจะพูดคนมากระวังปากอยู่คนเดียวระวังจิตสูกไหมนะแต่พูดไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่อยากพูดเพราะฐานะของเราแอบแอบแอบแอบแอแอบแอบแอยู่นก็เท่านั้นเอง สิ่งไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนเอา้าทักออกมาประชุมชนของเราหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรสี่อะไรและไม่สอนตรงกันด้วยแย่งกันพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็แย่งกันกับองค์นี้องค์นี้ก็แย่งกันองค์นี้ทุง่งทุ่มเสียงเกี่ยงงอนมีฝ่ายคัดค้านไว้แล้วก็ฝ่ายอนุโมทนาไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้มีฝ่ายคัดค้านไม่มีฝ่ายอนุโมทนาถ้าไม่ถูกใครมีอิสระที่จะคัดค้านได้ทั้งนั้นถ้าถูกก็มีอิสระ ที่จะอนุโมทนาทั้งนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาทำเอาในเป็นเครื่องวัดเอาแวน่นเอากระจกเอาเอาวันทัดเอาเครื่องวัดเครื่องตวงเป็นเครื่องคัดค้านและเป็นเครื่องอนุโมทนานั่นไม่ได้สั่งสอนให้หากินคัดค้านทางเดียวพระบรมศาสดาไม่ได้สั่งสอนให้หากินทางอนุโมทนาทางเดียวถ้าไม่เป็นธรรมก็คัดค้านในทางนั้นถ้าเป็นธรรมก็อนุโมทนาได้ทางนั้นนั่นนั่นนั่นนั่นั่นผิดกันกับชาวโลกไหมมันก็ผิดกัน ก็าชาวโลกมดโลกมีพ ล, ลเมืองประมาณเท่าใดประมาณห้าพันล้านคนใช่ไหมคนห้าพันล้านคนนั้นมีสิน5าบอดี้บูนพอล้านคนไหมคงจักจุดจุดจุดจุ ด, จดไม่มีเอทีนี้ประเทศจีนมีพ ล, ลเมืองขนาดไหน ก็คงจะพันล้านคนพันล้านนั้นมีคนมีชนหน้าพอ1ล้านมั้ก็คงจักจุด ๆ, ๆๆๆๆไม่มีประเทศไทยของเราพลเมืองมีเท่าไหรก็มีประมาณ60ล้านใช่ไหมในคน60ล้านนั้นพระเราถือว่าเราเป็นประเทศที่ถือศาสนาพุทธนั่นเอง มีผู้รักษาศีลห้าวฏิบูลเป็นนิจจะศีลพอร้านคนไหมคงจักไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ย่นลงมาอีกทีนี้พระภิกษสุสามเณรของเรามีประมาณสี่แสนคนมีพระสวสดาวันพอหมื่นคนไหมคงจัก จุดจๆๆจุดจุดจุจุดจุ ด, จ ด, จ ด, จ ด, จดพระอรหันต์เขาไปพูดหรออ่อพูดพระโสดาบันเนียอคงจกแต่ว่าไม่มองเห็นหน้ากันแต่เพราะดอกบัวที่เรามีอยู่แล้วก็คงจักมีก็อาจเป็นได้ก็คงจะมากกว่านั้นก็อาจเป็นได้ทีนี้นับทั้งหมดทีนี้คนหกสิบล้านมีศีลห้าอยู่ประมาณล้านคนไหมสมทานะถือศาสนาพุทธไหม ก็คงจะจะจะจะลำบากเอาที่นี่